8. รายได้จากโบนัสพาวเวอร์พูลโบนัสพาวเวอร์พูลช่วยให้ผู้จำหน่ายฟลไลสามารถรับส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทคุณสามารถจะมีรายได้ภายใน3เดือนหลังจากการลงทะเบียนสมัครโบนัสพาวเวอร์พูลจ่ายให้ผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแบ่งออกเป็นสปอร์เซนจากจำนวนของ LP ของบริษัทจากผู้ทำคุณสมบัติทั่วโลกคุณสมบัติของการรับโบนัสพาวเวอร์พูลก็คือ เมื่อคุณได้สมัครผู้จำหน่ายใหม่3คนขึ้นไปต่อเดือนทุกคนมีซื้อหนึ่งรคะแนนขึ้นไปติดต่อกันในช่วงสองเดือนแรกตัวคุณเองก็ต้องมีห น, นึ่งรคะแนนพอเข้าเดือนที่สมคุณก็จะได้รับโบนัสพาวเวอร์พูล